บุ๊กทูเจ็ดสิบสี่ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ Can you clip อย่าให้สั้นเกินไปนะครับ ไม่เก e นอีกนิดนะครับลิทคอร์ดช่วยหลางรูปให้ได้ไหมครับแค่ดูแฟ้มแคเล่บิ l เลอร์รูปอยู่ในซีดีครับบิลเลอ n ์เน่เอร e พอซดีรูปอยู่ในกล้องครับ Er er ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับคันตีบาร์เรียรกระจกแตกกลาเซต์เป็นชิ้น er. แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่เป็นทอม์ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Can you your stress ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Can you rinse the boxer? ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับ Can you repair the shoes? r ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ Can you give me i l l คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับ Er er? คุณมีที่เคี่ยวบุหรี่ไหมครับคุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมครับคุณมีที่เขี่ยบุหรไหมครับุณสูที่เขบุรี่ไหมครับคุณมี่เขีสยบุหรี่ไหมครับคุณสูทีบุหรีไหมครับคุมีทีีบุ่ไหมครับ